บทที่5สมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกสงสยัยท่านคิดว่าสหายของพระเถระเจ้าก็คือพระยามหากริยัศึกผู้มีนามเดิมว่าด้วงซึ่งต่อมาได้กระทาพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งบรมราชจั ก, กรีวงศ์ในเมื่อพระเถระเจ้าบอกว่าไม่ใช่และจะเป็นผู้ใดเล่าหนอกระผมสงสัยขอรับแสดงว่าสิ่งที่กระผมทราบมาไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วความจริงเป็นอย่างไรขอรับสมภารวัดป่ามะม่วงเรียนถามความจริงก็คือสหายของเราไม่ใช่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แต่เป็นสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อเราขึ้นครองราชได้เลื่อนตําแหน่งให้เขาเป็นสมเด็จเจ้าพระยาพระเถวรเจ้าอธิบายยังความสงสัยของท่านพระครูให้พระราชนาการไปสิน้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้มีนามเดิมวดัดดวงสมภารวัดป่ามะม่วงพูดคล้ายรำพึง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 เราต้องชี้แจงให้ฟังถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราเกลียกกล่อมกันอยู่นานกว่าเข้าใจยอมรับแล้วพูดกับท่านพระครูว่าท่านเองเมื่อครั้งเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็มีตําแหน่งเป็นพญามาหากริยัศึกท่านมีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเกิดจากภรรยาชาตินี้ภรรยาของท่านมาเกิดเป็นผู้หญิงอีก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 เขามีศรัทธาในพระศาสนาจะได้ปฏิบัติธรรมและตั้งสำนักวิปัสนาขึ้นสามีและลูกสาวของเขาจะช่วยด้วยความศรัทธาวันหนึ่งเมื่อเขาปฏิบัติจนระลึกชาติได mm. ้เขาจะพาสามีและลูกสาวมากราบท่านชีวิตช่างเมือลิกเกรโรงใหญ่นครรับกระผมเมื่อสมัยอยู่ที่วัดพรมบุรี สมพานให้ไปหาเช่าเมร์ก็บังเอิญไปพบแม่ในชาติที่แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อท่านหมายถึงแม่เชิญศรีพระโบเฮียวอยากฟังเรื่องการคู่ชาติมากกว่าจึงพูดขึ้นอย่างแสนจะเกรงใจว่ากระผมอยากฟังเรื่องพระเถระเจ้ากู้ชาติขอรับเมื่อกี้ท่านเล่า ว, ว่าวันหนึ่งท่านอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียว จากนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือขอรับพระเถวราเจ้าจึงกลับมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นต่อเราได้สั่งให้ข้าหลวงไปตามสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึกมาพบเมื่อสหายของเราได้รับการบอกกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้เข้าไปเฝ้าและให้มาในเครื่องแบบนักกรบมีดาบมาด้วย เขาก็คิดว่าคงจะทรงใช้ให้ไปทําสงครามกับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นแน่ครั้นมาเห็นเรานั่งอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียวในชุดนุ่งขาวห่มขาวสหายของเราก็รีรออยู่ไม่กล้าเข้ามาเพราะเห็นเราอยู่คนเดียวและไม่มีอาวุธอยู่ข้างกายเลยเราจึงบอกว่าด้วงเข้ามาสิ เข้ามาหาข้าเอาดาบมาด้วยถ้าลองคิดดูถ้าสหายของเราคิดก่อกรบฏจริงก็คงถือโอกาสตอนนี้แต่เพราะเขาไม่เคยมีความคิดอย่างนี้อยู่ในใจจึงวางดาบไว้ข้างนอกแล้วค่อยๆคลานเข้ามาใกล้มอบอยู่ห่างประมาณวาหนึง่งเราก็บอกอีกว่าดวงเข้ามาใกล้ๆ เอาดาบของเจ้ามาวางไว้ข้างหน้าสหายของเราครานไปหาดาบแต่แทนที่จะเอามาไว้ใกล้ๆอย่างที่เราสั่งกลับกระทุ้งให้ไกลออกไปอีกแล้วจึงครานเข้ามาใกล้ประมาณสองศอกมอบกราบถวายความเคารพอย่างดีเราจึงถามเขาว่าดวงอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหม เราพูดเท่านี้แต่สมเด็จเจ้าพระยามหากริยัศึกมีอาการตกใจนักถึงกับมีเม็ดเหงื่อผุดขึ้นบนใบหน้าก้มลงกราบแล้วก็ไม่ตอบว่าไกรเราก็ถามใหม่อีกว่าดวงได้ยินหรือเปล่าข้าถามว่าอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมสหายของเราตอบว่า ข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดเลยพระเจ้าค่ะอยู่อย่างนี้ก็สบายดีแล้วเราจึงถามเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่สหายของเราตอบนั้นมาจากใจจริงหรือว่าต้องการพูดเอาใจเราต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเรากับสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตรศึกซึ่งเราก็จะยกมาตามที่พูดกันจริงๆภาษาที่ใช้ อาจจะฟังไม่คุ้นหูสักเท่าไรเพราะเวลาล่วงเลยมากว่าสองร้อยปีแล้วประโยคสุดท้ายพระเถระเจ้าพูดกับพระบวญเฮียวภิกษุอายุน้อยกว่าองค์อื่นรีบตอบสนองว่ามีเป็นไรขอรับ หากกระผมไม่เข้าใจก็จะเรียนถามอาจารย์ของกระผมเพราะท่านเกิดร่วมสมัยกับพระเทเจ้าท่านพระครูนึกชมพระลูกศิษย์ตั้งแต่ตัดความหลงในสงสารได้สิทธิ์ของท่านผู้จาฉะฉานเฉลียวฉลาดกว่าเดิมถึงสองเท่าตกลงกันดังนี้แล้วพระเทระาเจ้าจงึงตั้งต้นเล่าเรื่องราวแต่หนหลังครั้งยังเป็น ราชามาหากษัตริย์โดยยกคำสนทนาระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับสมเด็จพระเจ้าพญามาหากษัตริย์ศึก ท, ที่สนทนากันในห้องพระเมื่อกว่า200ปีล่วงแล้วมาเล่าด้วงข่าวว่าทหารพมา่มามหาเจ้าบ่อยๆหรือมาครั้งเดียวพระเจ้าค่ะเขามาเรื่องอะไร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 กระผมจะนำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังแต่คงจะต้องเลือกเล่าเพราะคนที่สติปัญญายังไม่ได้รับการพัฒนาอาจจะคิดอกุศลทำให้เขาบาปเปล่าๆกระผมทราบว่ายังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้พวกเขาไม่จงรักภักดีต่อราชวงศ์จั ก, กรีและคิดเป็นโกรธเป็นแค้นว่า สมเด็จเจ้าพระยามหากริยัดศึกษษษษ ส, รรสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยท่อนจันถ้าพวกเขารู้ความจริงเรื่องนี้ก็จะได้หายโกรธแค้นและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือบาปกรรมจะได้ไม่ติดตามเข้าไปในภพหน้าถ้าเขายังโกรธแค้นอยู่ก็จะมีเวรมีกรรมติดตัวไปไม่สามารถตัดความหลงในสงสารได้พระเถ ร, ระเจ้าเสริมว่า เพราะเหตุนี้ที่เราต้องมาพบท่านท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็จะได้ช่วยทำให้คนมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิได้หากเขาได้รู้ความจริงในเรื่องนี้โดยเฉพาะคนจีนซึ่งเรารู้ว่าพวกเขารักเรามากถึงบิดาเราไม่ได้เป็นคนจีนอย่างที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้แต่มารดาของเราก็เป็นคนจีน เราจึงไม่อยากให้คนที่รักเราต้องมาเป็นเวรเป็นกรรมเพราะความเข้าใจผิดท่านจะช่วยให้คนเหล่านี้ได้เพราะพวกเขานับถือท่านพระเถระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้ท่านพระครูโดยปริยายกระผมอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าต่อขอรับพระบัวเหียวพูดขึ้นด้วยความเกรงใจเป็นที่สุดส่วนหลวงพ่อในป่า นั่งสมาธิหลับตาแต่สิทธิ์ทั้งสามก็รู้ว่าท่านกำลังฟังอยู่เมื่อพระบวเยียวอยากฟังพระเทเระาเจ้าจึงเล่าต่อเมื่อเราเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของสมเด็จพระเจ้าพญามาหากษัตรศึกเราจึงบอกเขาว่าดวงข้าจะให้เจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเอาไหม สหายของเรากราบถวายบังคมอีกว่าพร้อมกับยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อคงจะคาดไม่ถึงว่าเราจะพูดแบบนี้กับเขาเหตุที่เราถามอย่างนี้ก็เพราะสมัยที่อาแชวุนกี้แม่ทัพพม่ายกทัพมาตีพิษนุโลกเราได้ให้สหายของเราซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าพระยามหากษัตรศึก ยกทัพไปรบกับอาแชวุญกี้ผู้มีสมญานามว่าขุนพลเท่าและเป็นแม่ทัพที่มีความชำนาญในการรบมากแต่เพราะสหายของเราฝีมือทัดเทียมกับขุนพลเท่าการรบจึงไม่มีใครแพ้ใครชนะสงครามติดพันกันอยู่นานอาแชวุญกี้จึงใช้อุบายขอพักรบวันหนึ่ง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 บังเอิญคำพยากรณ์มาตรงกับความจริงโดยที่อาแช่วุ่นกี้เองก็คาดไม่ถึงเรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในสมัยที่เรากับสหายของเราบวชเป็นพระภิกษุวันหนึ่งเรากับสหายไปบินทบาตด้วยกันสินแสผู้หนึ่งเดินสวนทางมาเขาก็หยุดมองหน้าเราเสร็จแล้วก็มองหน้าสหายของเรา แล้วก็กลับมาบอกเราอีกเราจึงถามว่าโยมมองอะไรหรือหรือว่าอาตมาหนุ่งห่มไม่เรียบร้อยแกก็ ย, ยิ้มแล้วสายหน้าไปมาเดินเลยไปสักประเดี๋ยวก็เดินกลับมาอีกไม่หนำซ้ำมายืนขวางทางหน้าเรากับสหายแล้วพูดด้วยเสียงดังลั่น จนคนทั้งหลายหันมามองเรากับสหายเป็นตาเดียวกันเขาพูดว่าอักษจังอักษจังจริงจริงนายหลวงสององค์มาบิงทบัก่วยกังท่านพูดสำเนียงเหมือนคนจีนเลยขอรับท่านพระครูพูดยิ้มยิ้ม ก็เราเป็นลูกคนจีนโยมแม่เป็นคนจีนพระเถระเจ้าตอบโยมตาของกระผมก็เป็นคนจีนขอรับกระผมต้องเรียกท่านวักกงกงของกระผมใจดีมากแต่โยมยายดุชมัดพูดเหมือนบน่นพระเถระเจ้าพูดขัดขึ้นว่าถ้าไม่ดุท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงขอรับเพราะหลวงพ่อสนแล้วก็เกเรมาก วันไหนไม่ถูกโยมยายตีวันนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับพระบัวเฮียวรีเป็นกองหนุนเลยถูกพระเถระเจ้าปรามว่าไม่เป็นการสมควรที่สิทธิจะพูดถึงครูบาอาจารย์ในทางลบขอประธานโทษขอรับกระผมเพลินไปหน่อยนิมนพระเถระเจ้าเล่าต่อเถคออรับพระบัวเฮียวพูดพร้อมกับประนมมือนิมน พระเถระเจ้าจึงเล่าต่ออีกว่าพอสินแสพูดเช่นนั้นผู้คนก็พากันสาทุแต่บางคนก็พูดขึ้นว่าสงสัยตะแปะนี่แกจะแกจนหลงถึงได้พูดอะไรเลอะเทอเะเปลือเปืือนถ้าในหลวงมาได้ยินรับรองหัวขาดแน่เข้าหมายถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในที่สุดคําทํานายทายทักของสินแสก็กลายเป็นความจริงกระผมคิดว่าสินแสคนนั้นน่าจะมีความรู้ทางโหราศาสตร์นะขอรับท่านพระครูออกความเห็นเราก็คิดอย่างท่านแต่สําหรับอาแชวุญกินเขามีความประสงค์จะให้เรากับสหายเป็นศัตรูกรันเพราะถ้าคนไทยรบกันเองแล้วพาม่า ก, ก็จะกลืนชาติได้ง่าย เพราะฉะนั้นการที่เราสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยามหากรรษัตรสึกเข้าเฝ้าให้แต่งชุดนักรบถือดาบเข้ามาด้วยก็เพื่อทดสอบใจสหายของเราว่าอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตามพยากรณ์ของอาแชวุญกินหรือไม่แต่ไม่ว่าเราจะพูดอย่างไรสหายผู้สื่อสัตว์ของเราก็ไม่ยอมตกปากรับคำที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน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 จึงพูดแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนว่าดวงต่อไปเจ้าจงเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนข้านะเจ้าเป็นเพื่อนข้าแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมากข้าไว้วางใจเจ้าเมื่อเราพูดอย่างนี้สมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตรศึสสกก็ยังนิ่งอยู่ในท่ามอบกราบเราจึงบอกอีกว่าดวงลุกขึ้นนั่งให้สบาย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 เพราะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายที่จะต้องทำตามสหายของเราพูดขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้ารับไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าเพราะพระองค์ก็มีพระราชะโอรสในเมื่อพระองค์จะทรงสละราชสมบัติก็ควรจะให้แก่พระราชะโอรสเราจึงบอกเขาว่าด้วงความจริงลูกชายค่าเขาเป็นคนดีนะ มีคนรักเขามากทหารขร้าราชการทั้งหมดก็รักเขาแต่ข้าจะให้เขาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านเมืองของเรายังไม่มั่นคงนักเพ่งกู้ชาติได้ใหมๆ่ๆถ้าลูกข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะกลายเป็นหุนให้เขาเชิดไปเขาครองเมืองไม่ได้ด่วงจะต้องครองเมืองเพราะข้าไม่เห็นใครที่จะมีความเข้มแข็ง แล้วก็สามารถรักษาเมืองต่อไปได้นอกจากเจ้าสหายเราก็แย้งว่าเวลานี้พระองค์ก็ยังไม่ทรงชราภาพจึงยังไม่ควรที่จะสละราชสมบัติพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทั้งชาติแล้วก็ชาวจีนด้วยถ้าขาดพระองค์เสียแล้วข้าพระพุทธเจ้าเถลิงราชเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ความดีก็คงไม่มีไม่ถึงพระองค์ความเชื่อถือของบุคคลทั่วไปก็จะไม่มีเท่าที่มีในพระองค์ข้าพระุัตเจ้าเกรงว่าประเทศไทยอาจจะต้องสลายไปก็ได้เมื่อสหายของเราพูดมาอย่างนี้เราก็ต้องเล่าความจริงให้ฟังว่า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 ข่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อยากจนเข็นใจมากเพราะไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเงินในทองพระกลังก็ไม่มีสักแดงเดียวเวลานี้เบี้ยววัดเงินปีของข้าราชการทหารพลเรือนก็ยังติดค้างเขาอยู่มากข้าได้กู้เงินจากประเทศจีนมาใช้จ่ายเวลานี้ข้ากันเงินไวสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเงินสำหรับให้แก่ข้าราชการ เป็นเบีย้ยววัดเงินปีที่ขังค้างอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ข้าเก็บรักษาไว้เพื่อเจ้าจะได้มีใช้ใจ่ายเมื่อเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนไม่มีเงินทองมีความลำบากมากข้าเห็นใจจึงไม่อยากให้เจ้าเป็นอยัางข้าแต่เรื่องที่ต้องให้เจ้ามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีอยู่ว่าเมื่อเจ้านี่เข้ามาทวงข้า เมื่อข้าพ้นจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปแล้วเจ้าก็ไม่มีความจําเป็นต้องรับผิดชอบหนี้สินแทนข้าเพราะเป็นคนละคนกันที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าข้าคิดจะโกงเขาแต่เขาจะเอาเราไปเป็นประเทศของเขาเขาคิดไม่ดีกับเราก่อนเราก็ต้องหาทางป้องกัน ร, รักษาประเทศของเราไวา้แต่การที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้น จูจูจะยกให้เจ้าเป็นแล้วข้าสละราชสมบัติอย่างนั้นทำไม่ได้เพราะเขาจะรู้เท่าทันแผนการของเราเราจึงต้องใช้กุสโลบายที่แยบโยนเวลานี้เมืองขเขมรเกิดจะลาจนข้าจะให้เจ้ากับพระยาสุรสีน้องชายของเจ้ายกกองทัพไปปราบเมืองขเขมรแล้วเวลาที่เจ้าไปก็ให้เอาลูกชายของข้าไปด้วย ข้าตีเมืองขเขมรได้เมื่อไรก็ให้ลูกชายของข้าครองเมืองที่นั่นแล้วข้าอยู่ทั้งนี้ก็จะทำเป็นวิกลจริตแล้วก็จะแนะให้ข้าราชการบางคนที่นี่จับข้าบวชเสียข้าก็จะทำเป็นบ้าไม่สามารถจะปกครองประเทศต่อไปได้เมื่อเจ้ามาก็ให้ทําพิธีปราบดาพิเศษถลิงราชสมบัติ เป็นพระเจ้าแผ่นดินและก็ในประเทศข้าไปอยู่ที่หัวเมืองเสียเรื่องมันก็หมดเท่านี้เรื่องนีิสินต่างๆก็เป็นอันว่าหมดกันไปพระเถระเจ้าเล่าเรื่องของทนบุรีที่ไม่มีในประวัติศาสตร์แต่กระผมรู้สึกว่าเรื่องไม่ได้หมดแค่นี้นะขอรับเพราะต่อมาหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าพญามหากรสัตร์ศึกระทาพิธีปราบดาพิเศษ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 ที่ลูกหลานเราถูกจับลงเรือลอยไปในปากอ่าวท่านคงหมายถึงเหตุการณ์ที่ลูกหลานเราถูกจับลงเรือลอยไปในปากอ่าวแล้วเรือล่มทำให้ตายกันทั้งลาเรือคนก็พากันเข้าใจว่าเป็นการกระทำของสหายเราและน้องชายของเขาซึ่งความจริงแล้วสหายของเราไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันเป็นเรื่องของความหลงในสงสารคนที่มักใหญ่ไฟสูงต้องการเป็นใหญ่ซึ่งมีอยู่หลายคนหลายกลุ่มเลยทำให้เกิดกระบฏซ้อนกระบฏวุ่นวายกันไปหมดอย่าให้เราเอ่ยชื่อเลยว่ามีใครบ้างเพราะจะเป็นที่อัปยศของบรรดาลูกลหลานเลนของเขาซึ่งสูบทอดมาจนถึงปัจจุบันเอาเป็นว่าเราจะเล่าความจริงให้ท่านฟังอย่างย่อๆ คือเมื่อเกิดกระบทซ้อนกระบทหมายความว่ามีพวกที่คิดกระบทต่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้อ้างคำสอนของพระองค์ให้นำลูกหลานเราไปลอยเรือแล้วก็ฆ่าเสียทั้งที่ในหลวงราชการที่หนึ่งท่านทรงตั้งพระทัยที่จะให้ลูกหลานเราอพยพไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชซึ่งเราไปบวชอยู่ที่นั่นแต่พวกกระบฏถือโอกาสฆ่าเสีย เพื่อต้องการขจัดเสียนน้ำประการหนึ่งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็หวังที่จะได้รับความดีความชอบจากในหลวงคนพวกนี้ในที่สุดก็จะได้รับกรรมทันตาเห็นเราคิดไม่ผิดที่เลือกสหายของเราให้ขึ้นครองราชแทนที่จะเป็นลูกชายของเราเพราะราชวงศ์จั ก, กรีได้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน